ยี่สิบสองตัวอักตวนการสนทนาสาม Small talk สคุณสูบบุหรี่ไหมคะรูกยหญดิฉันเคยสูบค่ะอ แต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้วมอร์อรุกรนิเมียร์นี่รบกวนคุณไหมคะถ้าดิฉันจะสูบบุหรี่ปลดเยาว์วันยาอาค์รคุกไม่เลยค่ะเนี่ยคลาต์นี่มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะแต่ปล่อยไม่ คุณจะดื่มอะไรไหมคะทรังเกอิตส์บรันดีไหมคะอัปรานาวัยนไม่ค่ะดิฉันชอบเบียร์มากกว่าเนี่ยลิเวอร์เบียรคุณเดินทางบ่อยไหมคะไรเช่บ่อยอบ่อยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจย่อเมสตลอบเบียสไต์แต่ตอนนี้เรามาพักร้อนมาร์เนว์อุสุนซีร์อุบฟักันซีร้อนอะไรอย่างนี้ดิตส์บายอวายรัใช่วันนี้ร้อนจริงๆย่อ ฟันดักอีสปายอวารมเราไปที่ระเบียงกันเถอะกุมอนส์ขันนอนที่บัลคุนจ์พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่มัวระอีสีระเปอร์ไตกีคุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะกูม <jij> ิยัยอวกค่ะพวกเราได้รับเชิญด้วยยอ ja. อุ้งสวัสอ i ก g e n o น้อย